โพชนวักที่สสิกขาบทในวักนี้ปรารบถึงโภชนะคือของฉันสมควรจะแสดงโภชนะนั้นให้เข้าใจไว้กอ่อนในคำพีวิพังกล่าวโภชนะไว้ห้าอย่างคือข้าวสุกหนึ่งกุมงมา้าคือขนมสดหนึ่งัตตุคือขนมแห้งหนึ่งปลาหนึ่งเนื้อหนึ่งทัญชาติทุกชนิดที่หุงให้สุกแล้วเช่นข้าวเจ้า ข้าวเหนียวหรือตกแต่งเป็นของต่างชนิดเช่นข้าวสุก ข, ข้าวมันข้าวผัดเป็นต้นนับเข้าในชื่อว่าข้าวสุกทั้งนั้นกุมม่านั้นคือขนมสดมีอันจะบูดเมื่อล่วงกาลแล้วเช่นแป้งจี่ขนมด้วงขนมครกเป็นตัวอย่างสัตตูนั้นได้แก่ขนมแห้งที่ไม่บูดเช่นขนมที่เรียกว่าจันอับ และขนมปังเป็นตัวอย่างปลานั้นสงเคราะห์เอาหอยเอากุ้งและสัตว์น้ำเหล่าอื่นที่ใช้เป็นอาหารเข้าด้วยเนื้อนั้นคือมังสะของสัตว์บกและนกที่ใช้เป็นอาหารนี้เรียกว่าโพชนาหส่วนผลไม้ต่างชนิดและเงาต่างชนิดมีเผือกมันเป็นต้นเรียกว่าขาเดี่ยงของขบของเคี้ยว เชรอยจะเล็งความว่าเป็นของใช้กัดกินมาก่อนไม่นับเข้าในโภชนะแต่จัดเป็นอาหารเหมือนกันท่านนับยิ่งหย่อนกว่ากันอย่างไรจากมีแจ้งในสิกขาบทสิกขาบทที่หนึ่งว่าภิกษุมีช่ผู้อาพาธพึงฉันอาหารในโรงทานได้ครั้งหนึ่งถ้าฉันยิ่งกว่านั้นเป็นปาจิตติอาหารในที่นี้แสดงโดยศัพท์ว่าปินดา แปลว่าก้อนข้าวส่วนคำพีวิพังแกว่าโภชนะห้ายางได้อย่างหนึ่งความเข้าใจในโภชนะของผู้ศึกษาพระวินัยอยู่ข้างจะแคบเพ่งเอาเฉพาะของกินถ้าเพ่งตลอดมาถึงกิริยาที่กินความเข้าใจจะกว้างขวางออกไปกว่ากิริยาที่กินของสามัญชนมีต่างอย่างเช่นเรียกว่ากินข้าวหรือกินอาหารบ้าง กินของว่างบ้างกินข้าวนั้นมีเวลาเป็นเครื่องกำหนดเช่นเช้าเย็นหรือเติมกลางวันด้วยเป็นการกินเพื่ออิ่มหนาเป็นเครื่องบำรุงชีวิตของที่กินในเวลานั้นคงมีข้าวและแกงกับอันทำจากปลาหรือเนื้อสัตว์บางก็มีหวานเพิ่มขึ้นอีกกินของว่างนั้นไม่ใช่กินเพื่ออิ่มหนาเป็นเวลา ได้แก่อาหารที่เรียกว่ากินจุบกินจิบในระหว่างในระหว่างของที่กินในเวลานั้นแม้เป็นของที่จัดว่าโภชนะก็มีเช่นขนมเป็นของกินแกล้มกับน้ําชาแม้เช่นนั้นเขาก็ไม่เรียกว่ากินข้าวหรือกินอาหารเพราะไม่ใช่กินจริงกินจังเมื่อเพ่งเฉพาะวัตถุที่กินจึงเข้าใจการกินสองอย่างนั้นปนกันไปหมด ถ้าเพ่งกิริยาที่กินคงจะเข้าใจได้ดีกิริยาที่ฉันอาหารอันกล่าวถึงในสิกขาบทนี้ได้แก่อย่างที่เรียกว่ากินข้าวอาหารในโรงทานนั้นได้แก่ของที่เขาจัดไว้ไม่เฉพาะผุคคนไม่เฉพาะพวกเช่นไม่ได้เตรียมไว้ถวายภิกษุจมพวกเดียวคนเดินทางหรือคนอดอยากก็อาศัยได้ อาหารในโรงฐานชนี้ภิกษุไม่อาภายคืออาจจะออกจากโรงฐานนั้นไปได้พึ่งฉันได้คราวเดียวในเวลามาถึงเข้าถ้าฉันเกินกาหนดนั้นต้องปาจิตตีในคำพีวิพังปรับอาบัติไว้ทุกคำเกินความพอใจของข้าพเจ้าควรจะกาหนดด้วยครั้งถ้าอาภายจนถึงไปจากโรงฐานนั้นไม่ได้ฉันซ้าไปจนกว่าจะไปได้ ไม่เป็นอาบัตเว้นวันแล้วฉันอีกก็ได้เช่นเดินทางมาพักฉันวันหนึ่งค้ากลับภักฉันอีกวันหนึ่งเจ้าของเขานิมนม์แล้วอังคาดเองก็ฉันได้ถ้าอาหารนั้นไม่ได้ตั้งให้เป็นทานทั่วไปไม่นับในสิกขาบทนี้สิกขาบทที่สองว่าเว้นไว้แต่สมัยเป็นปาจิตีในเพราะฉันเป็นหมู่ นี้สมัยในเรื่องนั้นคือคราวอาภาคราวที่เป็นฤดูถวายจีวรคราวที่ทำจีวรคราวที่เดินทางไกลคราวที่ขึ้นเรือไปคราวใหญ่คราวพัดของสมณะนี้สมัยในเรื่องนั้นข้าพเจ้าจากอธิบายความตามเข้าใจกันมาก่อนในคาพีวิพังแก้ไว้ว่าภิกษุตั้งแต่เสียรูปรับนิมนต์ด้วยโภชนะห้า อย่างใดอย่างหนึ่งและการตัดความสั้นรับนิมนต์ออกชื่อโพชนะแล้วฉันดังนี้ชื่อว่าฉันเป็นหมู่ตัวอย่างเช่นเขานิมนต์ฉันขนมเบื้องหรือขนมจีนไม่มีสมัยดังระบุในสิกขาบทรับแล้วฉันเป็นปาจิตติทุกคำกลืนในอัธกถาถือเอาการรับพร้อมกันในที่แห่งเดียวกันเป็นสำคัญ จะฉันแห่งเดียวกันหรือแยกกันไปฉันไม่เป็นประมาณในสมัยเหล่านั้นคราวอาภาษนั้นคือเวลาเจ็บไม่อาจจะไปบินทบาทได้คราวที่เป็นฤดูถว่างจีวร น, นั้นไม่ได้กลานกะถินเดือนหนึ่งท้ายฤดูฝนได้กลานกะถินเพิ่มออไปอีกสี่เดือนในฤดูหนาวเรียกว่าจีวรทานสมัยบ้างจีวรการละสมัยบ้าง คราวที่จีวอนั้นคือเวลาที่ภิกษุทาเองในการก่อนภิกษุตัดและเย็บจีวอใช้เองทั้งนั้นจรอยจะไม่ชานานและมีกังวลมากจึงได้ทรงอนุญาตประโยชน์พิเศษเฉพาะในเวลานั้นหลายประการคราวเดินทางไกลนั้นกําหนดตั้งแต่กึ่งโยดขึ้นไปคราวที่ขึ้นเรือไปนั้นคือเวลาไปทางเรือหาได้กาหนดระยะไกลเท่าไหร่ ไม่ควรจะเทียบกึ่งยอดด้วยกันคราวใหญ่นั้นคือภิกษุอยู่น้อยรูปบินตบาทพอฉันครั้นมาอยู่มากขึ้นได้ไม่พอคราวพัดของสมณะนั้นคือเวลาที่พวกสมณะด้วยกันนิมนต์ฉันเมื่อมีสมัยเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งฉันคณะโภชนาได้ไม่เป็นอาบัติเมื่อถือเอาความเข้าใจอย่างนี้ จึงมีเป็นธรรมเนียมที่ถือกันมาว่าทายกนิมนต์ออกชื่อโพชนาะไม่รับทายกผู้เข้าใจจึงนิมนต์แต่เพียงว่านิมนต์รับบิณฑบาตหรือรับภิกษาหรือนิมนต์ฉันเช้าฉันเพนดังนี้จึงรับได้เพราะคำว่าคณะในที่นี้ท่านถือเอาความว่าตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปท่านจึงแก้ว่า สองรูปสามรูปฉันด้วยกันวินธบาตมาแล้วประชุมกันฉันไม่เป็นอาบัตพัทมีชื่อต่างๆมีนิตยพัทเป็นต้นไม่เป็นอันออกชื่อโภชนะกระมังท่านจึงว่าไม่เป็นอาบัตเพราะพัทเหล่านั้นยกโภชนะทั้งห้าเสียไม่เป็นอาบัตทุกประการข้าพระเจ้าไม่แน่ใจว่าแกคณะโภชนะเช่นนั้นถูก เพราะไม่ให้ประโยชน์แก่ภิกษุผู้จะรับสมแก่สมัยก็มีมีทางจะเข้าใจได้อีกอย่างหนึ่งนั่งล้อมโภชนะฉันเรียกสั้นว่าฉันเข้าวงชื่อว่าฉันเป็นหมู่ตามธรรมเนียมของพราหมณ์ก็ดีของภิกษุก็ดีเวลาฉันนั่งเรียงเป็นแถวไม่นั่งล้อมเป็นวงบางทีจะห้ามการฉันเข้าวงอย่างนี้บ้างกระมัง เมื่อถือเอาความเช่นนี้ภิกษุผู้เดินทางผู้ไปทางเรือผู้ตกอยู่ในคราวอัตคัดได้รับประโยชน์จากพระพุทธานุญาตคงรู้สึกสะดวกขึ้นมากแต่เป็นความสะดวกแก่ภิกษุแค่อย่างไรเป็นความสะดวกในหน้าถวายจีวรและในคราวทำจีวร อ, อย่างไรยังไม่กระจ่างเหมือนกันคณะโภชนะนั้นคงหาเป็นของหรือกิจมีโทษ แท้ไม่จึงได้ประทานพระพุทธนุญาตเปิดให้บางสมัยและสมจะเป็นของหรือกิษมอกแก่สมัยทั้งเจ็ดนั้นด้วยข้าพเจ้าขอฝากนักวินัยไว้เพื่อดำริด ต, ต่อไปอาบัตในสิกขาบทนี้เป็นอจิตกะถ้าเป็นคณะโพชนะแม้เข้าใจไปว่าไม่เป็นก็คงเป็นป้าจิตตีเหมือนกันไม่ใช่สมัยที่จะพึงได้รับอนุญาต แม้เข้าใจไปว่าเป็นสมัยก็คงไม่พ้นหน้าบัตรสิกขาบทที่สมว่าเว้นไว้แต่สมัยเป็นปาจิตติเพราะโพชนะทีหลังนี้สมัยในเรื่องนั้นคือคราเป็นไข้คราวถวายจีวรคราวทำจีวรในคำพีวิพังอธิบายว่าภิกษุรับนิมนต์ด้วยโพชนะทั้งห้าอย่างได้อย่างหนึ่งแล้ว เม้นโภชนะนั้นเสียฉันโภชนะทั้งห้ายังได้อย่างหนึ่งอื่นนี้ เ, เรียกว่าโภชนะที่หลังถ้าเพ่งตลอดถึงกิริยาที่ฉันดังแนไว้ในสิกขาบทต้นแห่งวักนี้จึงเข้าใจได้ดีว่าในสิกขาบทนี้กล่าวถึงรับนิมนต์ฉันอาหารไว้แห่งหนึ่งแล้วหาไปไม่ไพ่จะไปฉันอาหารในที่นิมนต์ทีหลังอันพ้องเวลากัน ดังนี้แลเรียกปรามรปรับโภชนะหรือโภชนะทีหลังอย่างไรจึงทรงเปิดช่องให้ในสมัยทั้งสามดูน่าคิดคงเป็นทางไม่ถึงเสียธรรมเนียมอีกอย่างหนึ่งในนิทานแห่งสิกขาบททรงอนุญาตให้วิกลับได้คือยกส่วนที่รับนิมนต์ไว้ก่อนนั้นให้แก่ภิกษุอื่นเสียฉันโภชนะทีหลังได้ ในครั้งก่อนจะไม่ถือกันนักกระมังแต่ในบัดนี้ควรจะถือเอาอธิบายเช่นนี้ถ้าเขาไม่ได้นิมนต์เฉพาะตนจะต้องการเพียงศักว่าภิกษุให้ครบจํานวนเท่านั้นภิกษุผู้เป็นพัตตุเทศจะแจกส่วนมาถึงตนเช่นนี้จะรับวิกัปให้ภิกษุอื่นได้อยู่แต่ถ้าเขานิมนต์เฉพาะตนจะวิกัปไม่ชอบ เว้นไว้แต่จะตกลงกับผู้นิมนต์นิมนต์รับภิกษาที่เรียกว่ารับบาตหรือบินทะบาตไม่นับเข้าในสิกขาบทนี้สิกขาบทนี้เป็นอจิตกะเหมือนกันสิกขาบทที่4ว่าอันหนึ่งเขาประวารณาภิกษุผู้เข้าไปสู่สกุลด้วยขนมก็ดีด้วยสัตุผลก็ดีเพื่อนำไปได้ตามปรารถนาภิกษุ ผู้ต้องการพึงรับได้เต็ม 2-3 ถึงบาทถ้ารับยิ่งกว่านั้นเป็นประจิตติครั้นรับเต็ม 2-3 ถึงบาทแล้วนํำออกจากที่นั้นแล้วพึงแบ่งปันกับภิกษุทั้งหลายนี้เป็นสามีจิกรรมในเรื่องนี้ขนมที่กล่าวถึงในสิกขาบทนี้ท่านเพ่งเอาของขันมากข้าวสตุนั้นท่านเพ่งเอาของเป็นสเสบียงเดินทาง รับเอาของเหล่านั้นมากไปทำให้ธุระเขาเสียจึงทรงพระอนุ ญ, ญาตให้รับอย่างมากเพียงเต็มสามบาทออกมาจากที่นั้นแล้วให้บอกแต่ภิกษุอื่นแล้วแจกให้แก่เธอทั้งหลายเพื่อจะได้ไม่เข้าไปอีกไม่ทำตามนี้ท่านปรับเป็นทุกกฎฝ่า์ภาิกษุอื่นได้รับบอกแล้วเข้าไปรับบ้างท่านปรับเป็นทุกกฎเหมือนกัน เพราะท่านมุ่งเฉพาะของเป็นขันมากและของเป็นสเสบียงเดินทางเท่านั้นท่านจึงแก้ว่ารับของที่ไม่ได้เตรียมไว้เพื่อธุระเช่นนั้นก็ดีรับของเหลือจากใช้ในธุระเช่นนั้นแล้วก็ดีรับของที่เตรียมไว้เพื่อธุระเช่นนั้นแต่เขาเลิกเสียแล้วก็ดีไม่เป็นอาบัตและท่านปล่อยให้รับของญาติของคนประวรณาและรับเพื่อประโยชน์ เมื่อรับของญาติของคนปวารณาธุระของเขาย่อมจะเสียไปได้เหมือนกันและรับเพื่อผู้อื่นได้นั้นย่อมขัดต่ออธิบายข้างต้นส่วนจัดหาเอาด้วยทรัพย์ของตนได้นั้นไม่มีปัญหาข้าพเจ้าปรารถนาจะเข้าใจว่าสิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อจะให้รู้จักประมาณ และเพื่อจะให้รักษาสกุลไม่ให้สึกหรอแม้ไม่ใช่ของเตรียมไว้เป็นขันหมากหรือเป็นสเสบียงเดินทางเช่นของทําไว้ขายก็น่าจะส่งคล้อเข้าในสิขาบทนี้ทั้งนั้นเมื่อถือเอาความอย่างนี้ปล่อยให้รับของญาติของคนประวาตณนาได้ไม่สู้เป็นไรนักวินัยจงใคร่ครวนดูเถิดสิขาบทที่5ว่า อันนึงภิกษุใดฉันเสร็จห้ามเสร็จแล้วเคี้ยก็ดีฉันก็ดีซึ่งของเคี้ยก็ดีซึ่งของฉันก็ดีอันมิใช่เดนเป็นปาจิตติสิขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อจะรักษาหน้าของทายกหากว่าภิกษุรับนิมนต์ไปฉันในที่แห่งหนึ่งได้อาหารไม่ถูกปากจะฉันแต่เล็กน้อย ห้ามของที่เขาเอามาอังค่านั้นเสียและจะไปฉันในที่อื่นอีกดูเหมือนทายกผู้นั้นไม่สามารถจะเลี้ยงให้อิ่มหนำทำให้เขาได้อับอายดังมีแจ้งในนิทานต้นบัญญัินั้นแล้วเมื่อมีศิขาบทนี้ขึ้นจะไม่สามารถทำอย่างนั้นได้คำว่าฉันเสร็จนั้นคือฉันอาหารอย่างที่เรียกว่ากินข้าวอิ่ม หรือไม่อิ่มไม่เป็นประมาณเป็นแต่เลิกเสียแล้วคําว่าห้ามเสียแล้วนั้นคือห้ามโพชนาที่เขาเอามาประเคนท่านแสดงไว้โดยลักษณะดังนี้กำลังฉันอาหารอยู่เป็นองค์อันหนึ่งเขาเอาโพชนามาถวายอีกเป็นองค์อันหนึ่งเขาอยู่ในหัตถบาดเป็นองค์อันหนึ่งเขาน้อมถวายเป็นองค์อันหนึ่ง ภิกษุห้ามเสียเป็นองค์อันหนึ่งพร้อมด้วยลักษณะนี้ชื่อว่าห้ามอาหารเสียแล้วภิกษุผู้เสร็จและห้ามเสียแล้วดังนี้ในวันนั้นจะฉันอาหารได้เฉพาะของเป็นเดนของเป็นเดนนั้นจะเป็นสองคือของภิกษุใข่ฉันเหลือเรียกว่าเดนภิกษุไข่หนึ่งของที่ภิกษุทำให้เป็นเดนหนึ่ง ของเป็นเดนชนิดหลังนั้นคือของที่เป็นกัิยะควรฉันได้ภิกษุรับประเคณแล้วฉันบ้างแล้วยังไม่ลุกจากอาสนะยกขึ้นส่งให้แก่ภิกษุผู้ห้ามอาหารแล้วในหัตถบาทบอกว่าพอแล้วเพราะเป็นของแกล้งทาดังนี้ท่านจึงเรียกว่าของทมวินัยกรรมดูก็สมชื่อของที่เป็นเดนอย่างนี้ น่าจะแลเห็นว่าทรงอนุญาตเพื่อภิกษุผู้ฉันได้น้อยไม่พอจะเลี้ยงร่างกายจาจะต้องฉันบ่อยๆแต่มีเหตุที่ต้องห้ามอาหารเสียเช่นภิกษุมักอาเจียนมักอ้วกเป็นตัวอย่างภิกษุฉันเสร็จแล้วห้ามเสียแล้วเคี้ยก็ดีฉันก็ดีซึ่งของเคี้ยวของฉันอันไม่ใช่เดน ยังได้อย่างหนึ่งขณะรับต้องทุกกดขณะกลืนต้องปฏิจตีท่านปรับทุกคากลืนของอื่นที่ไม่ใช่เป็นอาหารไม่นับเข้าในสิขาบทนี้สิขาบทที่6ว่าอันหนึ่งภิกษุใดนำไปประวรณนาภิกษุผู้ฉันเสร็จห้ามเสียแล้วด้วยของเคี้ยวก็ดีด้วยของฉันก็ดี อันไม่ใช่เดนบอกว่าเอาเถิดภิกษุเคี้ยก็ตามฉันก็ตามรู้อยู่เพ่งจะหาโทษให้พอเธอฉันแล้วเป็นปาจิตติอธิบายทั้งปวงเหมือนในสิกขาบทก่อนเป็นแต่อบัติในสิกขาบทนี้เป็นสจิตกะสิกขาบทที่7ว่าอันหนึ่งภิกษุใดเคี้ยก็ดีฉันก็ดีซึ่งของเคี้ยก็ดี ซึ่งของฉันก็ดีในเวลาวิการเป็นปาจิตติเวลาวิการในสิกขาบทนี้ในคัมภีวิพังแก้ว่าตั้งแต่เที่ยงวันไปแล้วจนอรุณขึ้นแต่วิการในสิกขาบทที่7แห่งรัตตันธาการะวัคแห่งปาจิตยกันในภิกุณีปฏิโมกในคำภีภิกุณีวังแก้ว่าตั้งแต่อาทิตย์อัสดงแล้ว จนถึงอรุณขึ้นในสิงคาโลวาทสูตรทีคณิกายปาติกวรค ก, กล่าวถึงการเที่ยวซอกแซกในเวลาวิกาลว่าเป็นอบายบุคนั้นก็หมายความว่าเวลาคําโดยในนี้เวลาวิกาลจึงมีแก้เป็นสองบริกัตต้นคงนับเวลาว่าการกับวิการ ปริกับหลังคงนับเวลาว่าปุเรพัทก่อนฉันคือเช้าชั่วเที่ยงหนึ่งประ ช, ชาพัทที่หลังฉันคือในระหว่างเที่ยงแล้วก่อนค่ำหนึ่งวิการคือค่ำหนึ่งเวลาวิการในสิขาบทนี้รับรองกันทั่วไปแล้วว่าตั้งแต่เที่ยงวันไปแล้วจนอรุณขึ้น อาบัตในสิกขาบทนี้เป็นอาจิตกะในเวลาวิการภิกษุเข้าใจว่ายังเป็นการหรือสงสัยฉันอาหารคงไม่พ้นป้าจิตติการลิกอื่นไม่นับเข้าในสิกขาบทนี้ฉันได้ตามกำหนดพระพุทธอนุญาตสิกขาบทที่8ว่าอันหนึ่งภิกษุใดเขี้ยก็ดีฉันก็ดี ซึ่งของเคี้ยวก็ดีซึ่งของฉันก็ดีทําการสั่งสมเป็นปาจิตติการสั่งสมนั้นเรียกโดยสัพมคตว่าสันนิธิของเคี้ยวของฉันอันรับประเคแล้วกล่าวคือถึงมือแล้วในวันนี้เก็บไว้ล่วงคืนเพื่อจะฉันในวันพรุ่งชื่อว่าเป็นสันนิธิฉันของนั้นเป็นปาจิตติ ท่านปรับทุกคำกลืนอาบัตในสิกขาบทนี้เป็นอจิตกะเหมือนกันสิกขาบทที่ก้าว่าอันหนึ่งภิกษุใดไม่ใช่ผู้อาพาธขอโพชนาอันประณีตเห็นปน่าดนี้เช่นเนยใสเนยข้น น, น, น้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยปลาเนื้อนมสดนมส้ม เพื่อประโยชน์แก่ตนแล้วฉันเป็นปาจิตตีในของที่ระบุว่าเป็นโภชนะอันประนีตนั้นเป็นโภชนะอยู่ในตัวก็มีคือปลาเนื้อนมสดนมส้มที่เหลืออีกห้าอย่างเป็นเพสัตชก็ได้ในที่นี้พึงเข้าใจว่าเพ่งถึงของเหล่านี้ที่ใช้เป็นเครื่องปรุงอาหารภิกสุ ไม่ใช่ผู้อาพาธนั้นคือเว้นโภชนาอันประนีเสียก็ยังมีผาสุกอยู่ได้อาบัตในสิกขาบทนี้เป็นอจิตกะเหมือนกันภิกษุผู้อาพาธเว้นของเหล่านี้เสียไม่มีผาสุขขอเขาฉันได้เมื่อภิกษุผู้อาพาธขอมาเพื่อประโยชน์ตนภิกษุไม่ใช่ผู้อาพาธ พลอยฉันด้วยก็ได้พิกษุไม่ใช่ผู้อ า, าพาธขอต่อญาติหรือต่อคนปวนารณาเพื่อประโยชน์ตนเองขอต่อคนอื่นเพื่อประโยชน์แก่พิกษุผู้อ า, าพาธได้ทั้งนั้นไม่เป็นอาบัติจ่ายเอาด้วยทรัพย์ของตนไม่มีปัญหาศิขาบทที่ 10!!!! ว่าอันหนึ่งภิกษุใดกลืนอาหารที่เขายังไม่ได้ให้ล่วงช่องปาก เว้นไว้แต่น้ำและไม้าชาระฟันเป็นปาจิตติอาหารนั้นในที่อื่นหมายเอาของที่เป็นยาวากาลิกแต่ในที่นี้มียกเว้นแต่น้ำและไม้ชชาระฟันจึงหมายเอาของที่จะพึงกลืนกินทั่วไปน้ำนั้นพึงเข้าใจว่าน้ำโดยปกติไม่ใช่อาหารที่เป็นของเหลวเช่น น้ำแกงหรือน้ำอ้อยม้าชำระ l ฟันนั้นพึงเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นของจะพึงกลืนคำว่าที่เขาไม่ได้ให้นั้นคือไม่ได้ประเคนให้ถึงมือพึงรู้ลักษณะการประเคนนั้นดังนี้ของที่จะพึงประเคนนั้นไม่ใหญ่โตหรือหนักเกินไปพอคนปานกลางยกได้คนเดียวเป็นองค์อันหนึ่ง ผู้ประเคนเข้ามาอยู่ในฮาถบาทเป็นองค์อันหนึ่งเขาน้อมเข้ามาเป็นองค์อันหนึ่งกิริยาที่น้อมเข้ามาให้นั้นด้วยกายก็ได้ด้วยของเนื่องด้วยกายก็ได้ด้วยโยนให้ก็ได้เป็นองค์อันหนึ่งภิกษุรับด้วยกายก็ได้ด้วยของเนื่องด้วยกายก็ได้เป็นองค์อันหนึ่งการให้และการรับต้องตามลักษณะนี้ เว้นแต่โยนให้ย่อมเป็นไปโดยเคารพในกานและกันทั้งสองฝ่ายเป็นกิริยางามแต่โยนให้นั้นท่านจะหมายความอย่างไรไม่รู้บางทีจะเป็นอาการให้ที่ใช้ของให้เล็กน้อยแก่คนมากมายไม่ถือว่าเป็นการเสียกิริยากระมังตามลักษณะนี้บินทบาทที่ทายกตักด้วยท่ พ, พีถวายซึ่งนับว่า ให้ของเนื่องด้วยกายและภิกษุรับด้วยบาทซึ่งนับว่าด้วยของเนื่องด้วยกายเหมือนกันชื่อว่าพระเคแล้วของที่สตรีถวายและภิกษุรับด้วยผ้าก็เหมือนกันเว้นแต่ห่างเกินงามที่จัดว่านอกหัตถบาตอาบัตในสิกขาบทนี้เป็นอจิตกะเหมือนกันภิกษุบวชใหม่เผลอฉันของที่ไม่ได้รับประเค คงไม่พ้นปัจจิตีมีพระพุท ธ, ธนุยญาเฉพาะอาพาธในที่อื่นว่าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเช่นงูกัดกะพิยการกไม่มีถือเอายามหาวิกัดสี่อย่างคือมูดคูดเท่าดินจันได้ไม่เป็นอาบัติในอัตถกถากล่าวว่าภิกษุจะตัดไม้เผาทำเท่า หรือจะขุดปทัทพีเพื่อจะเอาดินก็ได้ไม่เป็นอาบัติปะจิตติเพราะโทษตัดไม้และขุดดิน